พิจารณาโดยความเป็นธาตุาเราเห็นว่าร่างกายนี้มันก็เป็นเป็นธาตุหรือแม้แต่ปัจจัยที่ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายนี้มันก็เป็นสักแต่ว่าธาตุมันเป็นธาตุที่ที่มาชุมนุมกันมาประกอบกัน เป็นธาตุทั้งสี่มาประกอบกันเป็นร่างกายมนุษย์เป็นธาตุทั้งสี่ที่ประกอบกันเป็นเป็นกีวรเป็นเสื้อผ้าเป็นธาตุทั้งสี่ที่มาประกอบกันเป็นอาหารเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นยารักษาโรคที่จริงก็มันก็เป็นโรคนั่นแหละนะมถึงธาตุทั้งสี่ประกอบกันเป็นโรคใบนี้ สิ่งที่อาศัยได้โลกใบนี้ก็ประกอบด้วยธาตุธาตุทัท้ททงสี่เหมือนกันพอเราเห็นแบบนี้มันเป็นสักแต่ว่าธาตุที่มาชุมนุมกันมาประกอบกันมันไม่มีมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขามันเป็นเพียงสิ่งที่ประกอบกันจากตามเหตุตามปัจจัย คล้ายๆเหมือนเราเคยปั้นดินเหนียวหรือว่าปั้นดินน้ํามันจากดินเหนียวจากดินน้ํามันกล า, า, ายเป็นรูปกลายเป็นรูปคนไปเป็นรูปวัวเป็นรูปหมาเป็นรูปต่างๆสารพัดต่างที่เราปรุงแต่งตามที่เรานยสร้างขึ้นมันเป็นรูปเที่มันเกิดจากความ ความว่างมาก่อนนะว่างจากลูกนะว่างจากตัวตนมันก็ค่อยกลายมาเป็นลูกเป็นร่างขึ้นมาร่างกายหรือจิตใจนี้ก็เหมือนกันนะมันก็มันก็มาจากความว่างความว่างในที่นี้คือว่างว่างจากการเป็นเป็นตัวเป็นตนนะว่างจาก ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเรานะหรือว่าเป็นเขานะเป็นของของเขาเนะพราะมีเรามัาก็เลยมีเขานะมันเป็นความจะเรียกว่ามันเป็นทิฏฐินะทิฏฐิวิปลาสคนะนทั่วไปก็จะมีทิฏฐิวิปลาสนะก็คือเห็นสิ่งที่ ไม่ใช่ตนนะว่าเป็นตนเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์นะว่าเป็นสุขนะหรือเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าเป็นของที่สวยงามนะนี่คือความความวิปลาสของของปุถุชนนะคือ มันเป็นทิฏฐิที่มันมันเห็นไม่ตรงนะคนะื่เราไม่สามารถที่จะเห็นพลุลงไปในความเนะี่ยสิ่งเนี่ยมันมันเป็นมันมีความไม่เที่ยงเป็นพื้นนยะเป็นแกนนะแต่เราก็คิดว่ามันจะต้องเที่ยงนะสิ่งนี้อย่างรูปเนะี่ยเราเห็นเพียงแค่ข้างนอกนะเราดูมันสวยมันงามนะ เมืม่อมาเกิดการสวยงามมันก็เกิดการอยากจะครอบครองหรือว่าคิดถึงแบบนี้นะแต่จริงถ้ามองทะลุลงไปในความสวยงามเนะั้นที่จริงพื้นฐานมันก็คือความไม่สวยไม่งามมันประกอบด้วยธาตุานะหรือว่าถ้าร่างกายมนุษย์มันก็ประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่นะสามสิบสองประการเนี่ย ประกอบด้วยเลือดดเอ็นประกอบด้วยน้ำรายน้ำเหลืองสิ่งต่างๆมาประกอบกันตามทฤสองประการถ้าเราแยกดูดีๆพิจารณาดูดีๆมันมันไม่ได้เป็นความสวยงามนะมันเป็นสิ่งที่นะมีหนังมีเสื้อผ้าห่อหุ้มมันกระดูกไว้นะให้มันน่าดู แต่จริงแ ท, ท้จริงมันก็ไม่ไดหน่าดูอย่างที่เราคิดหลายอย่างเราจะไปหลงยึดเพราะว่าแม้แต่สัญญาบรงอย่างเราก็คิดว่าสัญญามันจะต้องเที่ยงแต่จริงความไม่เที่ยงมันเป็นพื้นฐานเมื่อมันเมื่อมีคนผิดสัญญาไม่ทําตามสัญญาทําตามข้อตกลง เราก็ไปยึดเป็นจริงเป็นจังว่ามันจะต้องเป็นตามนั้นแต่แท้จริงแล้วเพราะว่าเราไม่เข้าใจความไม่เที่ยงว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะตามเหตุตามปัจจัยได้เนะีนะ่เราถ้าเราไปยึดมันเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจคอยตามมันเะเออมันก็อาจจะไม่เที่ยง น, นั้นแหละนะมันก็เป็นความไม่เที่ยงมันก็ไม่ทุกข์นะ คือถ้าเราเข้าใจมีทิฏฐิก็คือความเห็นที่ที่ตรงนะหรือว่าที่ถูกเนะีะสิ่งต่างๆที่เกิดกับโลกเนะี่ยเราก็จะเออเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับมันตามความเป็นจริงนะมันก็จะเกิดการไม่ยึดติดหรือปล่อยวางนะในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจป จ, จุบันนะ สภาวะเราต้องเห็นมันตามความเป็นจริงก่อนเมื่อเห็นตามความเป็นจริงจิตมันจะเกิดการยอมรับเมื่อเกิดการยอมรับมันก็จะปล่อยวางแต่ถ้าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงนะเราเห็นว่าอันนี้มันเห็นแต่ด้านสวยเห็นแต่ด้านที่มันเป็นความสุขบางทีอย่างเช่นความรัก เอเราก็มองมันแต่ด้านที่เป็นความสุขหรือว่าวัตถุสิ่งของเราก็มองมันว่ามันเป็นแต่ด้านที่มันจะต้องมั่นคงถาวรถ้าเรามองมไปจริงๆนะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่นวัตถุสิ่งของเนี่ยมันมีความทุกข์บีบคั้นมันอาจจะล้ม อาจจะพังเมื่อไหรก็ได้เหมือนกับร่างกายนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราจะมองว่ามันจะเที่ยงไปอีกสักกี่ปีกี่เดือนแต่จริงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะที่มันดำลงอยู่ได้เนะ่มันต้องมีปัจจัยเข้ามีปัจจัยออกนะร่างกายนี้นะมันต้องมีอาหารเข้ามามันต้องมีลมหายใจเข้ามา มันต้องมีการขับถ่ายออกไปมันก็ต้องมีการเสียเหนือออกไปเนี่ยมันหมุนเวียนแบบนั้นนะเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนเหมือนน้ําที่มันจะได้ไม่ไม่เสียมันก็ต้องมีการถ่ายน้ําเข้าปล่อยน้ําออกเนี่ยร่างกายนี้ก็เหมือนกันมันที่จริงมันแสดงความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะอ่มันเหมือนน้ําเราจะว่ามันเป็นแม่น้ําสายเดิม เน่มันก็ไม่ใช่นะมันก็น้ําไหลไปเรืเรเ่อยอย่างแม่น้นะําเนี่ยมันก็มีน้ําไหลไปนะมันก็ไหลลงไปสู่อนะทะเลหรือมหาสมุทรมันก็มีน้ําใหม่มาจากต้นน้ำหรืยจากฝนตกลงมาเราเรียกชื่อแม่น้ําสายเดิมเช่นแม่น้ําเจ้าพยาเนี้ยแต่จริงมันก็มีเจ้าพยาเมื่อปีที่แล้ว กับเจ้าพญาตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพญามันเป็นโมเลกุลเดิมนะมันเป็นหยดน้ำหยดเดิมหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ชีวิตเราเองก็เหมือนกันนะถ้าพิจารณาดีดดๆตั้งแต่ตอนที่เราเด็กเราโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นจนกรทั่งถึงตอนนี้ คือต่อไปตอนเราแก่ตอนเราตายนะร่างกายเลือดเนื้อเหนื่อยเอ็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เ, อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราแล้วนะเนี่โดยความเป็นด้วยความเป็นธ า, าตนะุด้วยสติปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องนะมันจะมันจะมองด้วยความนะเข้าใจใน ในความเปลี่ยนแปลงนะนะความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงมันดำรงอยู่ได้แค่ชั่วขณะแล้วก็ต้องนด้วยความที่มันเป็นทุกข์มันก็ต้องบีบพันุ์ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอแล้วพวกนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาได้เลยนะที่จริงมันก็เพียงแค่สิ่งที่มาประกอบกันตามเหตุตามปัจจัย เท่านั้นเราต้องมองให้ให้เห็นตรงนี้นะบางขณะที่ที่จิตมันไปมันยึดมั่นมากมันเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถ้าเราสามารถมีปัญญามองทะลุได้ว่าเออเราไปยึดเองนะไปยึดสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราคิดว่ามันจะต้องเที่ยงคนนี้เขาเคยดีกับเรา เขาจะต้องดีกับเราตลอดอ น, นี่คือความคิดผิดของเราที่เราไปคิดว่ามันเที่ยงอตอนนี้ร่างกายเขาแข็งแรงดีพอวันหนึ่งร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ยอมรับเราคิดว่ามันจะต้องแข็งแรงแบบนี้ต่อไปอันนี้เรามีความเห็นผิดหรือว่าสิ่งของที่มันเรามีขึ้นมาเราก็คิดว่ามันเป็นของของเราจริงๆนะิ แต่จริงมันก็เป็นเพียงแค่เราได้เอามาประกอบเอามาใชนะ้พอถึงวันหนึง่งมันผุพังมันเสียหายไปมันก็เป็นตามเหตุตามตัจใจมันก็ถูกแล้วนะถูกแล้วที่มันต้องพังถ้าไม่ไม่พังมันก็กองเต็มโลกนี้ไปหมดแล้วเนะี่ยเราก็มองให้ทะลุลงไปนะถ้าใจเรามองนะมองตามความเป็นจริงเนาะ อันนี้จะเรียกว่าใจเราสามารถเห็นความจริงนะหรือถ้าจะคิดก็คิดแบบยนิโสนมัติกานะคิดนะตามตามหลักของความเป็นจริงได้นะคิดแล้วน้อมเข้าไปสู่ธรรมได้นะที่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธการการคิดพิจารณานะแต่การคิด พิจรารนั้นมันต้องประกอบด้วยธรรมนธรรมคืออะไรธรรมคือนะให้มันเป็นเกิดสัมมาทิฏฐินะก็คือเห็นทุกเห็นทุกนะเหนะ็นเหตุแห่งทุกเห็นทางดับทุกนะเห็นนิโรธนะความพ้นจากทุกไดนะ้เห็นตามความเป็นจริงนะ หรือว่าถ้าจะคิดก็คิดด้วยการที่ละออกจากกามนะกามกามมคุณนะนะกา ม, มคุณทางรูปเสียงกลิ่นรสปุทุพะธรรมลมนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมันได้ไปสัมผัสหรือว่ามันได้เกิดการคิดนึกข้างในให้มันเกิดการปรุงแต่งนะ จากรูปเสียงกินรสโภตภะธรรมอารมณ์นั้นๆเนี่ยมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดการปุงแต่งขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเกิดเป็นการในการในที่นี้คือการไปปุงแต่งเป็นเป็นฝ่ายชอบฝ่ายไม่ชอบสติเรารู้ไม่ทันมันจะกัมันก็เกิดกลายเป็นการยึดกลายเป็นกเกิดความอยากลก็จะเกิดการอยากยึดเนี่ย หรือว่าฝ่ายไม่ชอบมันก็จะเกิดการไม่พอใจก็อยากจะผักใสนะไม่อยากเจอไม่อยากได้นะอันนี้คือมันเป็นกรรมคุณที่มันเกิดขึ้นในใจนะเราก็ต้องมีสติพอยรู้ทันนะถ้าจะคิดก็คือคิดที่จะการออกจากกรรมนะทำพิธีไหนก็แล้วแต่ในการที่ ที่เราจะได้ไม่ไปยึดติดมันแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะมันมีนะมีแต่เราเห็นนะเห็นแล้วกนะ็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงนะแต่ถ้าเราเห็นมันจะเป็นการเหมือนรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นนะอยู่ต่างหากแต่ใจที่เห็นมันก็อยู่ต่างหาก เมื่อเราเห็นเนะี่ยเราจะเลือกได้ว่าเราจะไปไปยึดมันหรือว่าเราจะก็แค่ให้มันดำรงอยู่แบบนั้นเฉยๆเหมือนกับเราเห็นเช่นก้อนหินเนะนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยก้อนหินหนักๆอยู่ข้างหน้าเราก็เห็นแล้วเนี่ยเราเลือกจะเดินไปชนมันหรือว่าเราเลือกที่จะเดินอ้อมมัน อันนี้คือถ้าเราเห็นเราก็จะสามารถเลือกได้นะแต่ถ้าทิฏฐิทิฏฐิเราวิปลาหรือว่าเราไม่ละเนะี่ยความเห็นผิดคนนี้เราก็จะเดินไปชนมันเนะี่ยด้วยปัญญาที่มันไม่มีนะก็เลยคิดว่าทางเนี้ยทางตรงเราเคยเดินตลอดแต่เราไม่รู้ว่ามีก้อนหินมาชนมามาขวางเราก็เดินไปเด ไ, ไปชนเขาเนะี่ย แต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นนะเราก็จะเออมันหนักเกินกําลังที่เราจะยกออกไปได้เราก็ก็เดินอ้อมมันไปนะนั้นนั้นกามการมคุณที่มันเกิดขึ้นนะเราต้องรู้ทันมันนะเราก็ไม่ปฏิเสธที่มันจะที่มันจะเกิดนะเพราะว่าเมื่อไรที่เรายังมีเยื่อใยของตัณหาอุปาทานอยู่มันก็ต้องเกิดนั่นแหละนะ่ะ แต่เกิดแล้วนะเมื่อเรารู้ทันเราจะเลือกได้ที่จะไม่เอากับมันนะไม่เอามันไม่ยึดมันไวนะ้หรือบางทีมันเผลอไปยึดเผลอไปเอานะพอสติรู้ทันมันก็จะวางนะเหมือนเหมือนปฏิกิริยาร่างกายของเราอะถ้าร่างกายเราเป็นปกตินะเมื่อไปถูกของร้อนนะมือมันจะรีบปล่อยนะเมื่อไปถูกของแหลมคม มันก็จะรีบชักมือหนีจิตเราก็เหมือนกันเมื่อไปสัมผัสกับอะไรแล้วมันรู้สึกว่ามันร้อนมันเป็นทุกข์มันก็จะมันก็อยากจะปล่อยมันก็อยากจะหนีแต่มันก็จะมีอย่างหนึ่งนะเป็นสัมผัสแล้วมันรู้สึกเป็นสุขหรือว่าสบายพอใจไอ้คนนั้นมันจะไม่ค่อยอยากปล่อยมันอยากจะยึดไว้อะไรที่เป็นทุกข์ก็อยากจะ อยากจะผับใสอะไรที่เป็นสุขก็อยากจะยึดไว้อันนี้คือคือมันมันก็ยังเป็นการยึดแต่ ย, ยึดคนละแบบเนาะเพราะนั้นบางทีความทุกข์เนี่ยมันก็ทำให้เราละนะละง่ายนะมันเป็นการดิ้นรนที่จะทาให้เรามันต้องหาเครื่องมือในการที่จะออกนะการทีนะ่จะออกจากความทุกข์นั้นเหมือนเราเป็นแผล เมื่อเราเห็นว่าเป็นเป็นแผลเราก็ต้องเออดีบรักษานะทายาดูแลมันให้ดีแต่บางทีสิ่งที่เป็นความสบายสิ่งที่เป็นความสุขเนี่ยบางทีมันมันเนียนเนาะในชีวิตเราพอมาบวชน่ะบางทีก็ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่ากิจวัตรมันไม่ได้มีเรื่องวุ่นวายบางทีก็อาจจะเรียกว่า นิ่งนอนใจว่าชีวิตจะสบายแบบนี้ตลอดเนะมันก็มีมันไม่แน่นอนเนาะเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยวันไหนก็มีรู้เราจะตายวันไหนก็มีรู้นะหรือเมื่อเจอปัญหาเจอนะเกิดขึ้นมาเราแน่ใจไม่ว่าเรามีปัญญาในการที่จะเขียนว่าเป็นแค่ปัญหานะแต่ไม่ทุกใจได้นะเพราะนั้นบางที ช่วงชีวิตที่สบายหรือมีความสุขเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราต้องต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมันไว้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะไดไ้รับมือกับมันได้นั้นการเมคุณที่เป็นเรื่องของความสุขก็ดีก็อืก็ต้องพึงพึงละนะพึงละในที่นี้ก็คือว่าไม่ไม่เป็นบกมุ่นกับมันนะอื ไม่หมกมุ่นนะในความสุขทางโลก น, ะนี่คือวิธีของวิธีของนักบวชหรือวิธีของคนที่จะออกจากการานมะมันต้องไม่หมกมุ่นนะทำไมคนที่นะแสวงหาความพ้นทุกข์ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็ออกบวชนะเพราะว่ามันจะได้เห็นนะมันจะได้เห็นว่าอะไรที่เป็นความยึดติดถือมั่นในจิตเนะี่ย เราสะะมันออกไปเนี่ยเช่นสะระสะระครอบครัวเนี่ยเรายังเกี่ยวข้องกับครอบครัวเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนในครอบครัวเราตายเราก็ยอมรับได้เนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างหนึ่งเราเกี่ยวข้องนะแต่เราไม่ยึดติดก็ได้นะอืเราทําหน้าที่เนี่ยที่ควรทําแต่เมื่อทําหน้าที่ดีแล้ว เหตุปัจจัยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับนะเราก็รับมันได้อันนี้คือเราก็ทำหน้าที่แบบนี้นะนะในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆหรือว่ามันก็จะเห็นอารมณ์หลายๆอย่างที่ที่มาแสดงตัวตนขึ้นมาเนาะแต่เราก็มองมันให้เป็น หลวงพ่อลงเขียนก็จะบอกมองให้เป็นอาการนะอะไรจะเกิดขึ้นมาก็เป็นเพียงแค่สักแต่ว่าเป็นอาการนะไม่ใช่ awesome. สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่อาการนะแต่ถ้าเราไม่เห็นเป็นอาการเราก็จะคิดว่าเป็นเราเนาะกลายเป็นเราคิดกลายเป็นเรารู้สึกกลายเป็นเราสุขกลายเป็นเราทุกข์กลายเป็นของของเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นว่าเป็นเพียงแค่อาการ มันเป็นเพียงแค่าอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจมันหาตัวตนไม่มีในอาการเหมือนอย่างที่ละบางคนพูดว่ามันมีแต่สภาวะที่มันทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เนี่ยร่างกายนี้ก็เป็นเป็นเพียงแค่สภาวะทุกข์จิตใจนี้ก็เป็นเพียงแค่สภาวะทุกข์ แต่ไม่มีตัวผู้ทุกข์ร่างกายนี้มันเป็นสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงจิตใจนี้ก็เป็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราเปลี่ยนแปลงมันพรมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วนะอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเหลืออนัตตาอย่างคือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะหรือถ้าเราพิจารณาด้วยความแท้มันก็เป็นไป ตามสภาวะว่าเป็นธาตนะุนร่างกายเรานะปฏิสินทิมาจากคันมารดานะจากอสุจิของบิดานะประกอบอยู่ในคันนะเกิดขึ้นมาโตขึ้นมาเนะี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยคือท้ายมันก็เปลี่ยนแปลงกายอาจจะโดนธาตุไฟเผาหรื อ, อจะโดนธาตุดินกบสุดท้ายก็ ก็เปื่อยหรือว่าเปลี่ยนสภาพไปคืนสูส่ธรรมชาติเพาะะน้นถ้าเรามองดูดีเมันชีวิตนี้มันมันไม่ได้มีสาระที่เราจะเอาอะไรได้เลยนะเราจะเอาอะไรมามันก็มันก็อยู่ไม่ได้ช่วบมันก็อยู่ได้เพียงแค่ช่วครั้งช่วคราวนะสิ่งภายนอกที่เราจะยึดถือเอาเข้ามาเนี่ยมันก็อยู่ได้เพียงแค่ช่วขณะ สุดท้ายมันก็เปื่อยพังเน่าไปแม้แต่ร่างกายนี้เองก็เหมือนกันมันก็ไม่สามารถที่จะรองรับนสิ่งที่มันจะมีเข้ามาได้ไม่เกินร้อยปีนมันก็มันก็รองรับไม่ได้ละนั้นชีวิตนี้มันมันเหมือนไปท้ายเหมือนบางทีพระพุทธเจ้าเสียบเทียนนะเหมือนกับฟองน้ำํำนะ จากน้ำเป่ามาเป็นฟองแต่พองฟองน้ำลอยเขาบนอากาศไม่นานนะฟองน้ำก็แตกไปมันมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ชั่วขณะเท่า น, นั้ น, นแต่เราคิดว่ามันม น, นานเนาะหกสิบปีแปดสิบปีร้อยปีเราคิดว่ามันนานแต่จริงมันสั้นแป๊บเดียวในในสัมสารวัตที่ เราเวียนไหว้ใจเกิดมาอืแต่มันก็มันก็เป็นเวลาที่มีค่านะถ้าเราเราได้ภาวนานะในแต่ละเดือนแต่ละปีถ้าเราได้ภาวนาจริงๆเนี่ยมันก็เกิดผลต่อเนื่องนะอืมทําจริงๆวันสองวันเนี่ยมันก็เกิดมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยระดับนะในแต่ละคนะอย่างได้ไปอบรม คามที่ต่างๆแนมะ้บางทีคนก็ไม่มีเวลามากนะมาปฏิบัติวันหนึ่งสองวันนะแต่ถ้าคนตั้งใจปฏิบัติจริงๆเขาก็เออเขาก็สัมผัสได้ว่าการมีสติเนี่ยการเป็นการรู้สึกตัวหรือว่าการเป็นผู้เห็นเนี่ยเออมันมันสามารถเปลี่ยนนะเปลี่ยนจิตจินใจได้นะในหลายคนนะ มันมีอนิสงส์ที่สัมผัสได้เนะี่ยชัดเจนนะไม่ต้องรอว่าไม่ต้องรอเราตายไม่ต้องรอเราเป็นพระอรหันตนะ์แต่เราสามารถที่จะพอมีสติมันจะดุดขึ้นมานะนะดูดขึ้นมาจากจากตัวตนนะที่มันหลงไปยึดอะไรอยู่นะมันจะว่างออกมาจากเนยะที่เราคิดว่าเป็นเราเป็นของของเรานะชั่วขณะนะ มันดดตรงมามันก็เหมือนเป็นอิสระขึ้นมาแม้เป็นชั่วขณะนะแต่เราก็พยายามที่จะฝึกหรือว่าดูมันแบบนี้บ่อยๆนะจิตมันก็จะค่อยๆคลายความยึดติดในสิ่งต่างๆลงไปได้ในมากมายเราก็จะอยู่โลกนี้นะที่มันมีสมมุติต่างๆเยอะแยะมากมายนะชื่อเสียงเกียรติยศนะ สม บ, บัติต่างๆมันก็เป็นเพียงแค่มายาอย่างหนึ่งที่เราไปหลงยึดเองหลงยึดเองว่ามันเป็นเรามันเป็นของของเราจริงๆแต่จริงมันก็มันเป็นของที่คนอื่นเขาให้เรามานะแต่ให้มาแล้วเราเราจะใช้หรือเราจะยึดมันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่สติปัญญา แต่พระเจ้าท่านมองมันเป็นมันเป็นสมมติอย่างหนึง่งสมมติที่เอามาใช้นะไม่ใช่สมมติที่เอามายึดนะโดยความเป็นนักบวชมันก็มีข้อวัดแบบนักบวชนะมันก็มีรูปแบบเราก็เอารูปแบบมาใช้นะรูปแบบนักบวชในการบิณฑบาตเพื่อนะรับอาหารจากชาวบ้านนะมัน บางคนก็มองว่าเป็นการขอนะไปขออาหารนะจากชาวบ้านแต่บางทีนักบวชเรามองเป็นการโปรดโปรดสัตนวะ์โปรดญาตนะิโ ย, ยมให้เขาให้รู้จักการทาทานนะส่วนตัวเราเองไม่ได้คิดว่าจะต้องหวังไปเอาอาหารนะเราได้ไปเดินให้โอกาสญาติโยมนะในการใส่บาตรเนี่ย คือหน้าที่ของเราคือแบบนี้หน้าที่ของเราเขาจะใส่ไม่ใส่ถ้าใส่ก็ดีกับเขาถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรถนะ้าจะมีเหตุปัจจัยอะไรไม่พร้อมที่จะใส่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเราก็ค่อยๆสร้างศรัทธาขึ้นไปเรื่อยๆนะคือนักบวชนะที่ดีก็คือเราไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรมาก เราก็แค่ทำตัวของเราทำหน้าที่ของเราให้ถูกก็พอเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่เขาเห็ น, เ, นเห็นแล้วเขาเกิดศรัทธาเขาก็เขาก็น้อมที่จะช่วยเหลือหรือว่าน้อมเข้ามาสู่การปฏิบัติของเขาเองเ น, นั้นในข้อวัดของเราจริงเราก็ใช้สมมติแบบนี้ดนะใช้สมมติในการเป็นนัก บ, บวด ในการทําให้ญาติโยมเกิดศรัท ธ, ธานะเกิดความเรื่มใสไม่ใช่แค่เรื่มใสตัวเราแล้วนะที่จริงจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้เขาเรื่มใสพระรันตนตรัยนะเกิดศรัท ธ, ธาในพระรันตนตรัยเขาก็จะได้มีพร ะ, พ ร, ะรันตนตรัยเป็นที่พึ่งก็นะะจะได้ปฏิบัติตามนะคำสอนของพระพุทธเจ้านะ ก็เขาก็จะได้พ้นจากความทุกข์อันนี้คือจิตหมายจริงๆนะมันไม่ใช่เพียงแค่ให้เขาศรัท ธ, ธาแค่ตัวบุคคลเช่นเราอะไรเงี้ยเราจะได้เกิดากราศการะสรรเสรนะิญตา่างๆอันนั้นเป็นเป็นเปลือกนอกมาก น, น, นั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเนาะกิจวัตรตา่างๆบินทบาตนะ การขบชั้นการอยู่อาศัยต่างๆแล้วก็ทําหน้าที่ตามสมมติเนะี่ยแต่ให้เราเห็นเห็นความจริงในปรมัตว่าที่จริงเรามันก็เป็นแค่สมมุตินะอที่จริงสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็ประกอบกันเพียงแค่นะรูปกับนามเท่านั้นนะรูปมันก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสนะี่ ดินน้ำลมไฟมาประกอบกันเท่านั้นน้ำเองเมื่อ ย, ยังมีรูปอยู่มันก็ต้องมีนะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นะเวทนามันก็ย่อมเกิดสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างนะสัญญาก็จำได้หมารู้สิ่งต่างๆบ้างสังขารก็ต้องปรุงแต่งนะธรรมชาติของจิตก็ต้องคิดปรุงแต่งนะวิญญาณคือการรับรู้นะ รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเป็นเรื่องเพราะนี้ขันทั้งห้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติมันต้องมีการเกิดแต่การเกิดทุกคราวก็มีการดับเมื่อคิดออกมันก็เกิดการดับขึ้นมาไม่ว่าจะปรุงอะไรก็แล้วแต่รู้สุขหรือทุกข์ดีหรือไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับ เกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันเป็นสภาวะแบบนี้ตลอดเลยมันถ้าเราเห็นจริงเออมันมีแต่อาการเกิดอาการดับอาการเกิดอาการดับเนี่ยเราดูลงไปมันไม่มันไม่สามารถเจีบยึดอะไรได้เนาะสุขเกิดขึ้นมาก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็แล้วก็ดับไปทุกข์ขึ้นมาก็ชั่วคราวแล้วก็ดับไปฟุ้งมาก็ชั่วคราวนะแล้วก็ดับไป หรือว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็ชั่วคราวแล้วก็ดับไปออแล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปออใจพอเป็นผู้เห็นเนนีะ้มันมันก็มองเป็นเออเรื่องธรรมชาติเนาะ เ, ออเราจะไปยึดให้มันดีตลอดอันนั้นก็เป็นความอยากเราจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมาอีกมันก็เป็นความอยาก เมื่อเราละความอยากเสียได้เนี่ยจิตเบาสบายกว่าเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆเมื่อเราฝึกดีๆนะทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันก็จะไม่วิปลาสเนะ่เราก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเอีไมเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจริงๆสิ่งที่มันเป็นทุกข์เราก็เห็นเป็นทุกข์จริงๆ สิ่งที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็เห็นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริงๆนะสิ่งที่มันไม่สวยงามเราก็เหน็นเป็นความไม่สวยงามจริงๆนะแม้จะสวยงามภายนอกแต่เราก็เห็นข้างในมันไม่สวยงามไปยึดแค่รูปไม่ได้หรอกปนระมาณนั้นนี่คือสติปัญญาเราเนาะที่เราต้องค่อยๆพัฒนาให้มันเกิดขึ้นมา